ว่าปุตุชนเนี่ยนะถ้าไม่มีการฟังเรื่องศิกขาสามเป็นต้นแล้วเนี่ยปุตตชนเหล่านั้นก็คือคนบอดดีๆนี่เองนั้นปุตุชนนั้นถ้าหากว่ามีศิกขาทั้งอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาประพฤตปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบัน ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วจึงชื่อว่าผู้ศึกษาอย่างแท้จริงแต่ถ้าไม่ถึงโสดาบันนี่เรียกว่าเนวะเสขานาเสขาจะว่าศึกษาก็ไม่ใช่ไม่ศึกษาก็ไม่เชิงอย่างน้ น, นะเรียกว่าปุตุชนทั้งหลายเนี่ยเป็นเนวะเสขานาเสขาพระโสดาบันโสดาปฏิมักจนถึงอรหัตตมักเขาเรียกว่าเสขาธรรมาผู้มีเสขธรรมผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ ส่วนผ้าหันเป็นอเสขาเป็นผู้ที่ไม่ศึกษาแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ศึกษามีอยู่ประเภทเดียวคือผ้าหันกับพวกศึกษาก็ไม่ใช่ไม่ศึกษาก็ไม่เชิงศึกษาเป็นพักๆ น, นะนะปุถุชนทั้งหลายก็จะเป็นในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นไอศึกษาหรือศึกษาเนี่ยนะศึกษาเพื่ออะไร น, นะ บอกว่าถ้าถ้าการศึกษานจะต้องรู้แล้วว่าผลของการศึกษานั้นเพื่ออะไรนนเพื่ออนุปาบาทภิรมิภา น, น, นเพื่อความดับผู้ที่ศึกษาจนดับถึงที่สุดแล้วก็คือพระอารหันต์ส่วนผู้ผู้อื่นนอกจากพระอารหันต์ยังต้องศึกษาอีกอนนเพราะว่ายังไม่ถึงอนุปบาทภิรมิภา น, น, นปัจเจเวคขันายานที่เกิดต่อจากอารหัน ต, ตผลยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นพวก ก่อนหน้านั้นจะต้องศึกษาหมดศึกษาเพื่ออนุปบาทาปริิญญาการดับรอบหรือความไม่ถือม่นแห่งจิตเพราะว่าความบริสุทธิ์ที่สุดในาศาสนานี้ก็คือความบริสุทธิ์ทางทางจิตเนี่ยนะเมื่อจิตบริสุทธิ์อย่างอื่นก็จะบริสุทธิ์ไปด้วยอาจิตที่จะบริสุทธิ์ได้ก็ต้องอาศัยศึกขานั่นแหละชำระจิตเนี่ยนะอาศัยศึกขานั่นแหละช่วยทําให้จิตนี้พัฒนาจิตไปเรื่อยทําให้จิต ตลอดอริยสัจจะทมจนถึงกับจบกิตนั่นแหละในวิธีการเหล่านี้เนี่ยนะกว่าจะสาเร็จการศึกษาจริงๆเนี่ยก็เป็นพาหันนะพาหันวันไหนก็คงเลิกวันนั่นแหละแต่พาหันท่านก็ยังถามว่าจิตของท่านยังเป็นไปกับศิกษาอยู่ไหมยังเป็นไหมก็ยังเป็นอยู่นั่นแหละเนี่ยนะเรียกว่าเป็นเป็นเจ้าของไปแล้ว ช่วงนี้เรากำลังศึกษาในหัวข้อว่าด้วยอินทรีสังวรศีอินทรีสังวรสีนั้นเป็นสีนที่ว่าสํารวมตามหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะฟังไม่ยากฟังไม่ยากแต่เข้าใจยากปฏิบัติยิ่งยากกว่านั้นอีกเนี่ยนะคำว่าเข้าใจยากเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจวิธีการเจริญกุศลธรรมอย่างอื่น คนเหล่านั้นไม่สามารถมีอินทรีย์สังวรได้เออหลับตาก็พอได้อนะอุดหูพอได้เทนี้ถ้านอนไม่หลับจะอินทรีย์สังวรยังไงคระนี้ <c ười> อเอาเคยมันนอนไม่หลับไหมตื่นขึ้นมาดึกดึกเนี่ยอินทรีย์สังวรยังไงละ <c ười> คิดไปเรื่อยนะสังเกตดูว่าจิตตอนนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลก็สังเกตขณะที่ว่าคิดเรื่องอะไร <c ười> เรื่องที่คิดส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกื้อกูลต่อจิต ที่เป็นกุศลเลยก็บอกว่าสังเกตที่อารมณ์แล้วรู้ว่าจิตตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมถ้าถืออารมณ์โดยสุภานิมิตอ่าโลภะอีกละถ้าเรื่องที่เราเอามาคิดเนี่ยค่อนข้างสร้างความหนักใจให้โทสะอีกละคิดเรื่องที่เราไม่ค่อยรู้เลยเนี่ยนะอุทาจจาะอีกละนะเพราะฉะนั้นเมื่อคิดไปเรื่อยเนี่ยนะขณะนั้นนั้นเนี่ยถามว่ามีศีลไหมมนินทรีย์สังวรไม่เกิดเลยนะ เสร็จแล้วก็ปวดหัวบัง่งตัวร้อนบัง่งพลิกซ้ายพลิกขวาไปเรื่อยถามว่าขณะนั้นนั้นเป็นกุศลศีลไหมศีลอะไรอย่างนั้นถ้าเป็นศีลกันอย่างนั้นนะโอ้ไดดิบได้ดีกันหมดทุกคนเนี่ยใกล้นิพพานหมดเลยใกล้จะแทงตลอดอริยสัจกันหมดไม่มีใครที่ไม่ใกล้แทงตลอดอริยสัจแต่คําว่าอินทรีย์สังวรนั้นคนที่จะเจริญอินทรีย์สังวรนั้นจะต้องรู้วิธีการเจริญกุศลธรรมอย่างอื่นอยู่แล้ว เนี่ยนะเข้าใจวิธีการเจริญกุศลธรรมอย่างอื่นเช่นเจริญสมถกรรมฐานเป็นไม่ปล่อยจิตให้คิดเป็นไปกับเรื่องอื่นเนี่ยนะทกิจใดๆจิตใจก็เป็นไปกับกรรมฐานเมื่อจิตใจเป็นไปกับกรรมฐานนั่นแหละคนเหล่านั้นจึงจะเรียกว่ามีอินทรสังวรอย่างแท้จริงแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะไปเถอะสังวรอย่างนี้ก็เงียบนะ เอาไม่ฟังเอาทำพอทำได้ไม่สนใจซะเอาไปทาวานอื่นอีกแล้วมันก็ทำแบบเครียดใช่ไหมมีไหมศีลแบบรักษาศีลแล้วหงุดหงิดมีไหมถ้าศีลไอหงุดหงิดเดนี่ยไม่ใช่ศีลแลนะมันก่อนหมอุพินบอกว่าเอ น, นี่โกรธโกรธไม่ใช่ศีลนะเออใช่แล้วเข้าใจถูกต้องแล้วถ้าโทสะเกิดหงุดหงิดเกิดวิตกกตังวลเกิดพวกนี้ไม่ใช่เจตนาศีล ไม่ใช่เจตสิกศีลไม่ใช่สังวรศีลแล้วก็ไม่ใช่อาวีติกามสินเห็นไหมถ้าขณะจิตใจที่หงุดหงิตรวิตกกังวลฟุ้งซ่านอินทรีสังวรศีลไม่เกิดนะกุศลสินอื่นๆเนี่ยขณะนั้นไม่เหลือเพราะว่าในขณะที่จิตเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะนี่ไม่ว่าโลภะเป็นศีลโทสะเป็นศีลโมหะเป็นศีลอุทธจจะเป็นศีลวิจิตกิจช้าเป็นศีลเห็นไหม นิวรกลุ่มรวมแล้วเป็นศีลอย่างเงี้ยไม่มีเป็นอ ก, กุศลและศีลเหมือนกันแต่ว่าศีลเหล่านั้นไม่ได้เป็นเหตุเพื่อตรัสรู้อริยสัจอะไรไม่ได้เป็นไปเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานอะไรเพราะฉะนั้นศีลเหล่านั้นไม่ต้องเจริญเป็นศีลที่มีโทษแต่ที่เจริญในที่นี้กล่าวถึงศีลที่เป็นกุศลอย่างเดียวเพราะว่าศีลที่เป็นกุศลอ น, นิสงของศีลที่เป็นกุศลนามาซึ่ง นำมาซึ่งอะไรพไวกข้าศัพย์เป็นต้นและก็นำมาซึ่งอาวิปปิสารเป็นต้ น, น, นเพราะฉะนั้นสูตรนี้พูดดีนะข้อความในปมาทาวิหารีสูตรนะเพื่อที่จะได้ฟังวิสุทธิมัสศีลนิเทศเข้าใจอย่างทราบซึ่งก็ต้องฟังที่มาที่ไปของเรื่องการเจริญอินรีสังวรนาย ข้อความในสังยุตตานิกายสลายตนาวัคปมาทวิหารีสูตรก็บอกว่าสูตรที่ว่าผู้อยู่ด้วยความประมาทปมาธาเนี่ยคือประมาทสูตรว่าด้วยผู้อยู่ด้วยความประมาทและไม่ประมาทกรุงสาวัตถีเมืองเมืองชื่อดังนะเพราะพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นยีะะ่สิบห้าพันศาโดยเฉพาะจำพรนศานงะแต่ว่า เมืองสาวัตถีเนี่ยเป็นเมืองที่พระองค์เนี่ยจาริกไปอยู่ประมาณ40กว่าปีเนี่ยนะเขาเข้าออกอยู่เมืองนี้มากเพราะฉะนั้นเรื่องราวพระทำคำํำสอนส่วนใหญ่เกิดที่เมืองสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจัดแสดงภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทและภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเธอทั้งหลายจงฟังเถิดนะนะคว่าจงฟังนี่หมายความว่าไง หมายความว่าห้ามโสตินรีที่จะไปรับอารมณ์อย่างอื่นนะอย่างเรานั่งอยู่นี่นะเสียงมีกี่ชนิดให้เราได้ยิน <Yeah. S 1> พระองค์บอกว่าห้ามโสตินรีที่จะไปได้ยินอย่างอื่นเพราะว่าโสตวิญญาณเนี่ยนะเกิดขึ้นอาศัยมนสิยการใช่ไหมให้มนสิการทำสอนเหล่านี้นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นจงตั้งใจฟังเถิดอย่างนั้นหรือบางทีก็จงใส่ใจให้ดีเถอะอันนี้ตั้งอะไรตั้งมนุษย์ ตั้งมนินซีว่าฟังแล้วต้องตรึกตามตามธรรมะเหล่านั้นนะเรียกว่าโยนิโสมนานัสการนะนะไม่ฟังเรื่องอื่นหนึ่งเอาเรื่องนี้มาตรึกน่งนะฮะเป็นไปตามนี้แหละพงษ์เลยบอกว่าจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะ ก, กล่าวก็ภิกษุเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทเนี่ยเป็นอย่างไรนะอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่ด้วยความประมาทดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่สํารวมจักขุนซีอยู่ ไม่สัมรวมตาจิตย่อมแสไปในรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุปล่อยจิตให้แสไปในสีถามว่าแสอย่างไรก็คือภิกษุมีจิตแสไปแล้วซ่านไปแล้วชุ่มด้วยกิเลสเป็นไปอยู่เนี่ยนะปล่อยจิตให้เป็นไปกับโลภะโทส<ป>ะเหลียวดูเนี่ยนะปราโมทก็ไม่มีนะเรลียวดูด้วยโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะ ได้ยินด้วยโลภะโทสะเนี่ยนะเห็นด้วยโลภะโทสะในในมโนทวารในความคิดเนี่ยจิตเป็นไปกับโลภะโทสะเนี่ยไม่ใช่ศีลใช่ไหมเมื่อไม่ใช่ศีลปราโมทก็ไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปีติก็ไม่มีเมื่อปีติไม่มีปัสสัตธิก็ไม่มีเมื่อปัสสัททิไม่มีภิกษุนั้นก็อยู่ลําบากจิตของภิกษุผู้มีความลําบากย่อมไม่ตั้งมั่น เมื่อจิตไม่ตั้งมั่นธรรมะทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเนี่ยนะคือธรรมะคือสมถะและวิปัสสนาก็ไม่ไม่เกิดขึ้นเพราะธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นก็ถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทอย่างแท้จริงนะคนประมาทจริงๆคือคนอย่างไรก็คือคนที่เห็นแล้วก็โลภะเกิดนั่นแหละขณะนั้นเนี่ยประมาทจริงๆเลยในขณะนั้น ขณะที่โทสะเกิดในขณะเห็นขณะที่โมหะเกิดขึ้นในขณะเห็นนั่นแหละนี่อยู่ด้วยความประมาทจ ร, าะะริงๆเพ่อไรเพราะกุศลศีลเขาไม่เกิดเห็นนะกุศลศีลไม่เกิดแล้วทั้งๆ ท, ง ท, งที่เจตนาก็เป็นศีลเจตสิกก็เป็นศีลสังวรก็เป็นศีลอวีติกมะก็เป็นศีลกุศลศีลเหล่านี้น่าจะเกิดนะแต่ไม่เกิดพอไม่เกิดปุ๊บเนี่ยนะกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปก็มีไม่ได้เห็นนะกุศลธรรมต่าง ยกตัวอย่างเช่นปีติปราโมทปัสสัตทิสุขสมาธิเนี่ยนะถ้าสมาธิแล้วเรียกว่าสมถาัศการรู้เห็นตามเป็นจริงซึ่งสภาพธรรมเหล่านั้นนั้นก็ไม่เกิดใช่ไหมเมืม่อจิตเนี่ยแสบไปด้วยโทสะอย่างนี้นะถามว่าเราจะรู้จักสีนั้นตามความเป็นจริงของสีนั้นไหมถามว่าเราจะรู้จักสีโดยความเป็นจริงของสีไหม ถ้าโลภะเกิดเราจะมีอคติในสีนั้นเลยโทสะเกิดก็จะมีอัคติโมหะเกิดก็จะมีอัคติในสีนั้นไม่รู้จักสีหรือรูปประธรรมเหล่านั้นตามความเป็นจริงว่าความจริงของรูปธรรมเหล่านั้นเป็นอย่างไรนะความจริงรูปประธรรมเหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะเหล่านั้นเนี่ยนะทั้งโดยสามัญลักษณะเป็นต้นก็จะมองไม่เห็นลักษณะที่แท้จริงของธรรมะเหล่านั้น เรีว่าไม่ทําปริญญาในสีเหล่านั้นเลยบ่างั้นเถอะไม่ทําปริญญาในรูปเหล่านั้นเลย น, นะลองลองยกตัวอย่างดูว่าเอ๊วันนี้เนี่ยนะเราได้ทําปริญญากับสีไหนมาบ้างตั้งแต่เช้าเนี่ยนะคับพิพตาหนานา น, า น, านสีที่ผ่านตานี่ไม่ได้น้อยเลยเนาะสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงเนี่ยนะรถเนี่ยเป็นร้อยร้อยคันนะถ้าขับรถเนี่ยผ่านสายตาของเรามาในบรรดาสีทั้งหมดตั้งแต่เชา้าจนเย็นมาเนี่ยใครทําปริญญาในสีไหนบ้าง บอกโอ้โหท้าไม่ทำเลยเนี่ยเรียกวาประมาทอย่างแท้จริงเพราะงั้นเพราะว่าไม่มีสิขาเลยในขณะนั้นนั้นอันนี้ลับไปนะทะวารหูก็ในยะเดียวกันนะทะวารหูถ้าหากว่าไม่สำรวมโสตินซีอยู่ย่อมแสจิตย่อมแสไปในเสียงทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยหูภิกษุเมื่อจิตแสไปแล้วปรามโมทก็ไม่เกิดเนี่ยนะพอกิเลสเกิดขึ้นแล้วปรามโมทก่อหม่มี เมื่อปราโมทไม่มีปีติก็ไม่มีเมื่อปีติไม่มีปัสสัที่ก็ไม่มีภิกษุนั้นก็อยู่ลำบากจิตของภิกษุผู้มีความลำบากย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นธรรมะทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเพราะธรรมะทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นก็ถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทอย่างแท้จริงคำว่าธรรมะไม่ปรากฏเนี่ยนะคือกุศลธรรมไม่เกิดอะ สมถะไม่เกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นวิปัสนาไม่เกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นก็เรียกว่าธรรมะไม่ปรากฏไม่ใช่สีไม่ปรากฏนะสีมันก็ปรากฏเสียงก็ปรากฏนั่นแลแต่จิตในขณะนั้นเป็นบาปก็เลยเรียกว่าธรรมะไม่ปรากฏคือกุศลธรรมนั้นไม่เกิดขึ้นนั่นเองเมื่อพิกสไม่สารวมคานินรีอยู่จิตย่อมแสไปใน กลิ่นทั้งหลายที่เพิ่งรู้แจ้งด้วยจมูกพิกษุมีจิตแสไปแล้วปราโมทก็ไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปีติก็ไม่มีเมื่อปีติไม่มีปสาทธิก็ไม่มีเมื่อปสสทิไม่มีพิษุนั้นก็อยู่ลำบากจิตของพิษุผู้มีความลำบากย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นธรรมะทั้งหลายก็ไม่ปรากฏ เพราะธรรมะทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นก็ถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทอย่างแท้จริ ง, งนะมีกลิ่นนั้นแล้วก็กลิ่นนั้นผ่านไปเฉยๆโดยที่ว่าปริญญาหรือสัมปชัญญะทั้ง4ประการไม่ได้มีสิ่งนั้นเป็นอา ร, รัมมณปัจจัยเลยนะโลภะเป็นอา ร, รัมมณปจัจจัยเป็นต้นแทนนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่ากันขณะนั้นๆเนี่ยเขาประมาทในชีวิตอย่างแท้จริง เมื่อพิสูจไม่สำรวมชิวหินรียย่อมแส่สายไปในรถทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นภิกษุเมื่อมีจิตแส่ไปแล้วปราโมทก็ไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปีติก็ไม่มีเมื่อปีติไม่มีปัสัทธิก็ไม่มีพิสูจนั้นย่อมอยู่ลำบากจิตของพิสูุผู้มีความลำบากย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นธรรมะทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเพราะธรรมะทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้น ก็ถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทอย่างแท้จริงอันนี้ทวารลิ้น น, นะนะรถที่ผ่านทวารลิ้นมาถ้าทวารกายล่ะภิกษุเป็นผู้ไม่สำรวมกายยินซีอยู่จิตย่อมแสไปในโพธภพ ท, ทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยกายภิกษุมีจิต แ่นะแสไปแล้วเนี่ยด้วยอำนาจกิเลสปราโมทก็ไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปีติก็ไม่มีเมื่อปีติไม่มีปัสสติก็ไม่มีเมื่อปัสสติไม่มีภิสษุนั้นก็อยู่ลำบากจิตของพิสูุผู้มีความลำบากย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นธรรมะทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเพราะธรรมะทั้งหลายไม่ปรากฏภิสูุนั้นก็ถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทอย่างแท้จริง ภิกุไม่สำรวมมนินทรียีอยู่จิตย่อมแสสายไปในธรรมรมณ์ทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยใจขณะไหนบ้างที่เราไม่มีบัญญัติเป็นอารมณ์ใช่ไห ม, บ, มนะบัญญัติธรรมะเนี่ยนะบัญญัติทั้งหลายก็เป็นธรรมะนะธรมะรมรมณ์ภาษาทารูปเป็นต้นเนี่ยนะนึกถึงความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เป็นนามธรรมนามธรรมทั้งหมดเป็นธรมรมรมณ์รู ป, ปรธรรมที่ละเอียดละเอียดเวน้นวิสยรูปเจ็ดเสีย รูปที่เหลือทั้งหมดเป็นธรรมรมณ์เมื่อปล่อยจิตแสสายไปในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เนี่ยนะปราโมทก็ไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปีติก็ไม่มีเมื่อปีติไม่มีปัสสัทธิก็ไม่มีเมื่อปสัสสัทธิไม่มีอะไรไม่มีภิกษุนั้นก็อยู่ลำบากไม่มีความสุขใช่ไหมคือกายยึกสุขก่อใหม่มีเจตสิกกสุขเนี่ยนะสุขกายสุขใจก็ไม่เกิด จิตของพิสูจผู้มีความลำบากย่อมไม่ตั้งมั่นคือไม่เป็นสมาธิเนี่ยนะเมื่อจิตมะจิตไม่ตั้งมั่นธรรมะคือสมถะและวิปัสสนาก็ไม่ปรากฏเพราะธรรมะทั้งหลายไม่ปรากฏคือสมถะวิปัสสนาไม่ปรากฏภิกษุนั้นก็ถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาแทแท้จริงดูก่อนพิสูุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทด้วยประการชนนีแ้แหละเรียกว่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทไม่มีสติสัมปชัญญะ ไม่มีเจตานาสีนเจตสิกศินสังวรสินอวิตริกรมาสินเลยในขณะมองเห็นขณะได้ยินขณะรู้กลิ่นขณะลิ้มรสขณะถูกต้องรับกระทบโพธะและนึกคิดเรื่องราวทั้งหลายเห็นไะมไม่มีกุศลธรรมเกิดขึ้นเลยชีวิตที่น่าสงสารจริงๆเลยนะประมาทพุทธพจน์ว่าไงนะประมาทว่าไงผู้ที่ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วพุทธพจน์ตรัสไว้อย่างนั้นเลยนะ คนประมาทคือคนตายแล้วเพราะว่าชีวิตขณะนั้นเหลือแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกว่างั้นแต่ว่ากุศลธรรมเสื่อมหมดนะขณะนั้นนั้นเนี่ยนะแต่ทีนี้ว่ากุศลธรรมเสื่อมนี่นะสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ค่อยเตือนไม่ค่อยตื่นภัยเหล่านั้นนั้นเพราะเราไม่นึกว่ามันเป็นภัยอะไรเลยใช่ไหมโลภะเกิดเนี่ยเราไม่นึกว่ามันเป็นภัยอะไรนะโทสะเกิดก็ไม่นึกว่ามีภยัยโมหะเกิดแล้วยิ่งนึกว่าตัวเองปลอดภยัยละเพราะอะไรไม่รู้สักอย่างเลยนะ ม, มองไม่เห็นความจริงมองไม่เห็นบาปบุญคุณโทษมองไม่เห็นดีชั่วดําขาวอะไรซากอย่างตอนนึกว่าไม่เป็นไรใช่ไหมนึกว่าไม่เป็นไรก็ปล่อยไปเรื่อยๆสนุกซะอีกว่างั้นที่ไหนได้นั่นแหละต้นตอแห่งวัตถุทุกทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้ถ้าชีวิตลักษณะนี้พระองค์จึงเน้นให้เห็นคุณค่าของการได้เกิดเป็นมนุษย์อ่ะว่ากว่าจะมาได้ใช้วิบากแบบนี้ไม่ใช่ของง่ายนะสะสมบุญมาขนาดไหน ที่ดูนะในภพภูมิทั้งสาสิบเอ็ดภพภูมิเรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเก่งนะสามสิบเอ็ดภพเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นรกนี่ก็มันไอ้ขุมเดียวนะมีตั้งหลายร้อยขุมไม่ไปเออเก่งเหมือนกันเนี่ยนะเปรตก็มีตั้งสิบสองประเภทไม่ไปเนี่ยนะเดรัจฉานเนี่ยกี่พวกโอเดรัจฉานเนี่ยนับไม่หวาดไม่ไว้เลยนะไม่ไปอีกแล้วเกิดเป็นคนเนี่ยนะเออสุรกาย สุรกาที่เกิดในขอบเขาจักรวาลเป็นต้นก็ไม่ไปมนุษย์เนี่ยนะในโลกนี้มีกี่ล้านประเทศไม่ไปอ่ะมาเกิดเป็นชาวเชีอยงใหม่แล้วมาอยู่เชีอยงใหม่เนาะเป็นต้นเนี่ยนะมาศึกษาธรรมะเนี่ยโอ้แสดงว่าไม่ไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วเทวดาก็มีตั้งหลายประเภทเนี่ยนะก็ไม่ไปอรูปปภมก็ไม่ไปแสดงว่ากว่าจะได้มีบุญขนาดนี้ไม่ใช่ของง่ายนะถ้าไปไปเป็นอรูปปภมนะพระพุทธเจ้าบอกว่าชีพหายแล้วว่างั้นเห็นไหแปดหมื่นสี่พันกับนั่งรอไป ถึงจะมีความสุขแต่ว่าสุขเหล่านั้นเนี่ยนะสุขก็เป็นสุขที่เป็นสามิตสุขเป็นสุขที่เป็นไปกับอามิตรเป็นสุขที่มีมีโทษเนี่ยนะถึงสุขในพรหมโลกก็ตามเธอสุข <ses Muhammad. S 1> เหล่านั้นก็มีโทษสุขเหล่านั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะสิ Africans, ่งใดไม่เท exactly right ี่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยนะมันก็ไม่มีอัตตาไม่มีสภาพที่มั่นคงถาวรอะไร พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าแม้แต่พรหมที่มีอายุแปดหมื่นสี่พันกับก็ตั้งอยู่ด้วยจิตดวงขณะเดียวเท่านั้นเองมีจิตทีละขณะทีละขณะเท่านั้นเป็นไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีความมั่นคงอยู่ในนั้นเลยแต่เป็นมหักตะธรรมแต่ไม่ใช่อัปปมานธรรมเนี่ยนะไม่ใช่เป็นอัปปมานาธรรมมาเป็นมหัตะธรรม แต่มหธาคตธรรมเหล่านั้นก็เกิดด้วยปัจจัยปรุงแต่งเมื่อเกิดด้วยปัจจัยปรุงแต่งพอหมดปัจจัยสภาพแบบนั้นก็อยู่ไม่ได้เนี่ยนะก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพบเหล่านั้นจึงเป็นของที่ไม่น่ายินดีอะไรนะเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองทีนี้กว่าจะมีโอกาสมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ของง่ายลักษณะนี้แล้วและอีกส่วนหนึ่งล่ะเมื่อเป็นมนุษย์แล้วนะไม่พิการเนี่ยนะนับว่าเก่งนะ มีตาตาไม่บอดเนี่ยนะแล้วเมื่อเทียบกับคนที่ตาบอดนี่ไม่ใช่น้อยๆเลยหูก็ไม่เสียด้วยนะคนที่หูเสียก็ไม่ใช่น้อยๆอวัยวะไม่พิกลพิการมือไม่กุดเนี่ยนะมือไม่กุดแขนไม่กุดเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วนะขาไม่ด้วนขาไม่ขาดสุขภาพเนี่ยนะตั้งแต่เนื้อจรดตัวนี่ก็ยังพอไปไหนมาไหนได้เนี่ยก็นับว่ามีบุญไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเพราะฉะนั้น บุญที่ทําเป็นเหตุให้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะว่ามากมายมหาศาลและที่สําคัญอย่างหนึ่งเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะบางสูตรบอกว่าเหมือนกับบุรุษที่ยืนขอบเขาจักรวาลอยู่แห่งหนึ่งอะ่ะทีนี้มีเต่าตาบอดมันโผล่ขึ้นมาไงแล้วก็เขาเขี้ยงบวงมาใส่คอสวมคอพอดีเป๊ะอ่าอันนี้ความยากอย่างที่หนึ่งฟังกันเรามาเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งเหล่านี้ได้ทีนี้ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยนะ อันนี้ก็นับว่ายากมากมายมหาศาลอีกนะกว่าจะมาเป็นมนุษย์แล้วมาประจวบเข้ากับยุคที่มีคำสอนเนี่ยนะยุคที่มีคำสอนเนี่ยนะเหมือนกับบุุษยืนอยู่ขอบเขาปากจักรวาลอีกแห่งหนึ่งแล้วก็โยนบวงมาสวมที่เดิมอีกนั่นแะหละพอดีเลยนะอันนี้ก็ยากแล้วอย่างที่สามก็ว่ากว่าจะมาเรียนรู้พระสัตยธรรมคำสอนอีกเนี่ยนะกว่าจะมาได้ยินได้ฟังได้ทรงจาได้ ศึกษาจริงๆเนี่ยก็นับว่ายากเนี่ยนะเมื่อสองอย่างประจวบ ก, กันแล้วนะยังยากยข้อสามกว่าจะได้ศึกษาเรียนรู้อันนี้ความยากอันนี้เหมือนกับบุรุษยืนอยู่ที่ขอบปากจักรวาลอีกทิศหนึ่งนะมีสีทิศใช่เมื่อกี้ว่าเช่นทิ่ตะวันออกทิศใต้ทิตท่ตะวันตกอันนี้ทิตะวันตกโยนมาสวมที่เดิมอีกนั่นแหละเป๊ะอีกก็บอกว่าเมื่อได้สามอย่างดีแล้วเนี่ยนะที่จะแทงตลอดอริยสัจธรรม บรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกับบุรุษยืนอีกขอบปกากจักรวาลโยนมาสวมที่เดิมอีก น, น, นะยากขนาดนั้นแต่ทีนี้ว่าสิ่งที่ยากเราได้ตั้งสามอย่างแล้วใช่ไหมหนึ่งสองสามได้แนละ้วข้อที่สี่อยู่ที่ความพยายามเพราะพระองค์จึงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายจักรล่วงจากทุกข์ได้เพราะความเพียรเนนะจะบรรลุหรือไม่ก็อยู่ที่ความเพียรขนาดคนมีบุญเก่าเหมือนกับพระอ น, นุ์เนี่ยนะ องบอกว่าพระนนเธอจงทำความเพียร น, นะเธอนี้เป็นผู้มีบุญอันสะสมไ้แล้วขนาดมีบุญแล้วต้องทำความเพียร น, นะแต่ถ้ามีบุญแล้วเกียรติคร้านประมาทบุญเนี่ยเป็นสังคตะธรรมเป็นของที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นถ้าหากว่าสังคตาธรรมเนี่นะบุญเนี่ยมันถ้าอุปมาเหมือนกับเมฆเมฆตั้งเขาแล้วฝนตกตลอดไหมไม่แน่ใช่ไหม คนมีบุญก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเขาประมาทอันคนที่ประมาทก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วนั่นเองนะถึงมีบุญเก่าบุญเก่าเหล่านั้นก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยเพราะความประมาทเอาชีวิตในขณะนี้เป็นประมาทชีวิตในอดีตก็มันก็หมดไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่มาถึงชีวิตจริงๆของเราอยู่ขณะ น, นี้ความนึกคิดจริงๆแล้วอยู่ในขณะนี้ แล้วตอนนี้เราคิดอะไรนี่แหละคือชีวิตแท้ๆของเราในชีวิตทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อไหร่เราจะได้คิดเป็นไปกับคำสอนสักทีเพราะคนที่มีมีความคิดที่เป็นไปกับคำสอนได้เนี่ยนับว่าไม่ใช่ธรรมดานับว่าเก่งมากที่จะมีจิตเป็นไปกับคำสอนเพราะว่าเมื่อจิตของเขาเป็นไปกับคำสอนเมื่อไรขณะนั้นเขามีเกาะเขามีที่พึ่งเขามีสนธน ขณะนั้ น, น, นจิตของเขามีสาระมีที่พึ่งทีนี้สารณะที่พึ่งของเขาเนี่ยให้เขาพิจารณาธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นๆไปไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงเปลี่นรสและโภทะพระธรรมรมณ์ถ้าเขาไม่พิจารณาล่ะเขาประมาทอย่างแท้จริงเลยนะก็นึกถึงโอ้โหพระ อ, องค์พระ อ, องค์ตรัสประมาทอย่างแท้จริงเนี่ยไม่ใช่ประมาทธรรมดาเลยนะก็ได้ดีมาขนาดนี้แล้วยังมาประมาทตอนสุดท้ายแล้วนะ